แล้วก็ขอโมทนาในช่วงสุดท้ายนี่นะเนี่ยในครั้งที่สักครู่นี้ก็พูดถึงในเรื่องของสุเมธาดาบทลุกขึ้นพิจารณาบา ร, รมีสิบประการาในบา ร, รมีสิบประการนี้ดูลัคณาที่จจตุ ก, กะของบา ร, รมีต่างๆนะกะอ็ที่จะคร่ครวนตรงนี้ก็คือว่า ในทานบารมีเนี่ยปริจา克拉ัคานามีการบริจาคเป็นลักษณะนิทานเนี่ยนะประการต่อมาคือทยธรรมเมโรพะวิสุทธังสนาระสามีการกําจัดโลภะคือความโลภในทยธรรมเป็นจิตอนนาสติปจุปถานาหรือภาวะ วิภาวะสัมปติปัจจุปถานาวาได้มีความถึงพร้อมด้วยพบและถึงพร้อมด้วยวิภพนี้นเป็นผลปรากฏแล้วก็ปริจจชิดตักพาวัตถุประธานามีวัตถุอันสมควรเป็นเหตุใกล้ถ้าพูดถึงในเรื่องของทานบา ร, รมีเนี่ยก็พูดถึงตัวเจตนาเนี่ยทานอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวอโลพาทานนั้นอย่างหนึ่งในที่นี้ท่านขับเน้นในเรื่องของ อโลภาทานเป็นประการที่สำคัญก็คือว่าในครั้งเนี่ยนะที่ท่านพูดบอกว่าเอาเถิดเราจะค้นหาพุทธการกธรรมจากสิทิษจากข้างนี้ข้างบนข้างล่างตลอดถึงธรรมธาต ครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ก็จะเห็นทานนบรมีเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นทางใหญ่ที่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ได้ทรงกระทำมาเนี่ยนะเมื่อท่านพิจารณาในลักษณะนี้ท่านก็บอกว่าหากเธอปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซเธอจงบำเพ็ญทานนบรมีเถิด อันว่าภาชนะที่เต็ียมด้วยน้ําเมื่อวางคว่ำลงน้ําย่อมไหลออกจนหมดไม่ขังติดอยู่ในภาชนะแม้ชั้นใดเธอเห็นยาจกผู้ยากไร้ทั้งหลายจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดภาชนะที่วางคว่ําไว้ฉะนั้นทานบารมีนั้นมีลักษณะยิเจตุกะ ก, ก็คือว่าปริจาคลักษณะก็คือว่ามีการบริจาคมีการสละมีการให้นะเป็นลักษณะการบริจาคนี่คือการจิตที่คิดจะให้นะ เจตนาทานนะเกิดขึ้นเจตนาทานที่เกิดขึ้นก่อนให้ขณะให้และหลังให้เนี่ยเจตนาคือจิตที่คิดจะให้ความจงใจตัวจัดแจงในการคิดการคิดานการค่ายควรการพิจารณาต่างๆเราเนี้ยนะปัญญาเคลื่อนขไปด้วยเลยไตยธรรมเมโลภาวิสุทธังสนระสาก็กําจัดพอให้แล้วเนี่ยนะโลภาก็ไม่ฉาบติดดังกล่าว โลภะก็ไม่ฉาบติดให้สังเกตดูท่านบอกว่าหม้อที่เต็มด้วยน้าซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจักคว่มลงน้าน้อมย่อมไหลออกไปหมดเียนะไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหมอ้อแม้ชั้นใดท่านตั้งพุทธการกธรรมท่านบอกว่าท่านเห็นผู้ขอทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือ ดุดหม้อน้ําด้วยความลงชั้นนั้นสุเมธะบัณฑดต ก, ก็สอนตนเองบอกว่าท่านจงบําเพ็ญธารามีด้วยบริจาคทรัพย์อย่าให้เหลือทานบรมีด้วยการบริจาคอวัยวะทานปรมัตธรรมบรมีด้วยการบริจาคชีวิตไข่ควรยิ่งขึ้นไปว่าอันธรรมเนี่ยที่จะทําให้เป็นพระเจ้านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ทานดังกล่าวที่ท่านไข่ควรอะไรรนะู้ไหใไข่ควรทานบรมีทุกระดับเลย ทั้งทานบารมีทานนอุป ป, รปารมีทานนปรมามัทธบารมีแปลว่าท่านรู้ลักขณะที่เกิดโอกาสของทานนะท่านบอกการให้ทานต้องกระจัดความโลภในทายธรรมต้องไม่มีความติดข้องในทายธรรมต้องสละแล้วก็ให้ทีนี้ประการต่อมามีความไม่ติดข้องเป็นอาการเป็นอาการปรากฏโดยเป็นปัจจุบฐานด้วยแล้วก็มีพบแล้วก็มีความไม่มีพบสมบัติเนะี่ยเป็นผลเป็นปัจจุบฐานก็ได้แล้วมีอะไรเป็นเหตุใกล้ ปริจจะิตตับพาวัตถุประฐานนาก็คือมีวัตถุอันควรบริจากนั้นเป็นประฐานหรือเป็นเหตุใกล้งนั้นเมื่อมีวัตถุมีสิ่งของต่างๆเหล่า น, นี้ท่านก็พิจารณาในกรณีอย่างนี้ประการต่อมาท่านก็พิจารณาบอกว่าพุทธกาลกา ร, การ ท, ำทำที่จะให้เป็นพระเจ้าทำที่จะทำให้เป็นพระเจ้าสิบประการเองทานศีลเนคขมาเป็นต้นอะไรเนี้ยท่านก็ใคร่ควรไปตามลำดับว่าไม่ใช่มีแค่ชั้นระดับทาน ท่านบอกบริจาคทรัพย์โดยไม่เหลือนี่เป็นทานบารมีใช่ไหมถ้าบริจาคอวัยวะนั้นเป็นทานะอุปปารมีใช่ไหมถ้าบริจาคให้ชีวิตเป็นทานนั้นเป็นปรมัตถารมีท่านก็ค่าควรเนี่ยค่าควรไปตามลำดับทั้งสามประการ น, นี้ท่านก็ค่าควรบอกว่าต้องโลภะต้องไม่ฉาบติดต้องขจัดโลภะในวัตถุในทายธรรมเป็นต้นเหล่านี้ได้เพราะมีการทําลายไงก็หมายความว่า ทำลายความโลภได้เป็นระยะระยะแต่พุทธกาลกรธรรมนั้นจมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่เราจะค้นหาทำที่บ่มโพธิญาณให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็นศีลบา ร, รมีเป็นข้อที่สองที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนท่านได้บำเพ็ญกันมาท่านก็เลยบอกว่าเธอจงบำเพ็ญศีลและบา ร, รมีเธอ อันว่าจามารีรักษาขนหางท่านจงยินดีศีลบา ร, รมีข้อที่สองนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านจะปราถนาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านจ ง, จงบำเพ็ญศีลบา ร, รมีเถอดจามารียอมตายในที่ที่ขนหางของตนติดอยู่ในที่บางแห่งไม่ยอมไม่ขนหางขาดไปแม้ฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลบา ร, รมีในภูมิสี สีนบัตมีในภูมิสีก็คือปาฏิโมกสังวรศีใช่ไหมเพอกปาฏิโมกขังวรศีคืออะไรเอาคืออะไรคือเจตนาสีเจตสิกสีสังวรสีนาวิติกามาสีใช่ไหมที่ประชมอยู่ในสีห้าสีแปดสีสิบสีสองร้อยี่สิบเจ็ดสีสามร้อยสิบเอ็ดนั่นเอง ฉนันกรณีแห่งข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นก็ต้องเอานี้แหละเอาเจดนาศีนเจดสิกศีนเนี่ยเป็นตัวนะที่คนเราเนี่ยนะบางท่านเนี่ยเมื่อครูอยองก็บอกว่าคนก็จะชวนไปปฏิบัติอยู่เรื่อยเอาสิแล้วบอกจะชวนไปปฏิบัติถามว่าจะตอบเขาว่าไง ถ้าถามบ อ, อกในขณะฟังทำเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติไหมเรียกไม่เรียกเคยกล่าวไปตั้งหลายครั้งใช่ไหยว่าวิมุตตายตนะเนี่ยเหตุของความหลุดพ้นหนึ่งห้าประการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วเนี่ยเธอรู้แจ้งอัดถารู้แจ้งธรรมะปราโมทก็เกิดขึ้นปีติปสัสสติความสุขสมาธินี้ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่หนึ่งเป็นต้นเนี่ย นั้นกรณีถ้าถามว่าปฏิบัติที่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของการทําให้เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรอวิตริกมาศีลเกิดนี่พอพูดถึงเจตนาศีลก็เอ๊ะแล้วมันต่างจากปฏิโมกสังวรศีลอย่างไงก็ไปนั่งคิดกันอีกกู้มิกจะไม่ยาอปฏิโมกสังวรศีลมีศรัทธาเป็นประธานแต่ในนั้นมีเจตนาอยู่ในนั้นนะมีเจตสิกศีลอยู่ในนั้นมีอวิตริกมามีเจตสิกมีมีสังวรก็มีอวิตริกมา ด้วยการไม่ก้าวร่วงอยู่ในนั้นซึ่งได้ขยายไปแล้วใช่ไในรายละเอียดต่างๆแล้วก็ไปไขควณไปพิจารณาดูจะได้เข้าใจอย่างกรณีบางทีเราไปศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราได้ศึกษาในชั้นของสมถาวิปัสนาแต่พอพูดถึงในระดับสีเนี่ยเราไม่ได้อีกก็ต้องดึงลากลงมาอีกใช่เอามาใขาควณให้เกิดความเข้าใจมันจะได้เดินถูก ฉ้นพพูดถึงในเรื่องศีลที่เป็นไปในภูมิสี่เนี่ยอินทรีสังวรศีลก็คือเจตนาเจตสิกสังวรอวิธิกรรมะสังวรศีลก็นี่แหละเจตนาศีลเป็นต้นนี่แหละก็ประชุมอยู่ในนั้นแหละแล้วก็การไม่ก้าวล่วงกับเจตน า, เจ ต, นาเจตสิกสังวรอวิธิกรรมะเหมือนกันก็คือการไม่ก้าวล่วงก็ประชุมอยู่ด้วยกันนี่นแหละ จงหวกจงบำเพ็ญศีลที่เป็นไปในภูมิสีรักษาศีลให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อจา ม, มารีรักษาคนหางของตนฉะ น, นั้นพอพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็เอาจุดแรกมาไข้ควรว่าเป็นศีลรบารมีเป็นศีล ะ, ะ, ะอุป ป, ปาลมีเป็นศีลรปรมาทบามีถ้ารักษาธรรมดาเป็นศีลรบาลมีใช่ไหมยอมศีลมีอะไรมีทรัพย์เป็นที่สุดมีอวัยวะเป็นที่สุดมีญาติเป็นที่สุดมี ชีวิตเป็นที่สุดไหมบางทีมียอดมีอะไรมีลาบมียอดมีอวัยวะมีชีวิตถ้ารักษาศีลจะให้เป็นระดับบารมีต้องไม่มีที่สุดต้องไม่มีที่สุดคนเนี่ยถ้าจะไปเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขายังมีศีลเป็นที่สุดอยู่มีมีสีมีมีที่สุดไหมการรักษาศีลต้องมีที่สุดไหม ถ้าจะไปเจริญสมถาวิปัสนาไปว่าเขาปรารถนาที่จะออกจากภพจริงๆมั้ยเขาต้องไม่มีที่สุดใช่ไหมจ้าท่านจงบำเพ็ญศีลบา ร, รมีในภูมิทั้งสี่แต่พุทธกาลกธรรมจกมีเพียงเท่านี้ก็หามไม่ถ้าบอกศีละบา ร, รมีเป็นยังไงศีละละัคณาศีลมีการรักษากายวาจาใ จ, าจาให้ตั้งไว้ด้ยดีโดยไม่ให้กัดกัดกระจายไปเป็นลักษณะ เียศีนั่นมีอะไรเป็นพื้นฐานในกุศลธรรมทั้งหลายมีสมาธิกุศลเป็นต้นนั่นเองลักษณะของศีนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมศีนนั้นมีอะไรมีการรักษากายทำกายกรรมวจีกรรมให้ตั้งไว้อยู่ได้ดีไม่ให้กระจัดกระจายไปก็คือไม่ให้ทุศีลนั่นเองทํากายกรรมวจีกรรมให้ตั้งไว้ด้ดีคําว่าตั้งไว้ได้ดีนั่นเป็นศีรนะใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็นกคือเป็น พื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายในชั้นของการออกจากปาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธสาวาจาสัมผับ พ, พลาปะวิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเนี่ยในชั้นนี้เป็นชั้นของศีล น, นะให้สังเกตดูนะว่ า, เ, าเราท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเนยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาได้ด้วยศีลห้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ มาได้สี่ห้าครบไหมบุญที่สี่ห้าครบไม่ครบถึงจะได้เป็นมนุษย์สี่ห้าต้องครบต้องไม่แหวงเลยใช่ไหมบุญอันนั้นน่ะกรรมอั น, นั้นน่ะแล้วต้องมีกุศลกรรมบทชสิบด้วยไหมต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมด้วยไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพ้อเจือด้วยแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่เห็นผิดด้วยสรุปแล้วกุศลกรรมบทชสิบและสี่ห้าครบเจตนากรรมที่อยู่ใน การรักษาศีลเหล่านั้นส่งผลในมรณาสถานการในการใกล้าตายนะั่นแหละกรรมนั้นก็ให้ผลเป็นชนกกรรมนําปฏิสนธิให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในสุคติภูมิใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยมาด้วยกุศลกรรมบวชสิททีนี้ถ้าเราจัรักษาสถานภาพความเป็นมนุษย์เราต้องเราต้องเจริญกุศลกรรมบวชสิทต้องเจริญศีลห้าไห ต้องมีศีลไหมศีลต้องแข็งแรงถ้าศีลไม่แข็งแรงโอกาสจะเป็นมนุษย์ในภพต่อไปได้ไม่ได้ต้องสุจริตสามด้วยไหมศีลห้าแล้วสุจริตสามด้วยอา้าวเรียนมงคลกันมาหลายคนนี่นั่งๆกันอยนู่ในมงคลมีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกแลกตันโูกตะเวทีใช่ไหม กระตันยูแล้วก็กระต่าเวทีมีอยู่ข้อใช่ไหมเรียนกันถึงอี้ยังฮะมีอยู่ข้อใช่ไหมทีนี้กระตันยูเนี่ยแปลว่าอะไรรู้อะไรกระต่วเวทีแปลว่าอะไรตอบแทนใช่ไหมถามบอกว่าเราเป็นมนุษย์มาเพราะกุศลกรรมรบดสิบพ่ะสี่ห้าใช่หรือไม่ใช่ การที่เราระลึกได้ว่าเรามาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบวชสิบนี้แปลว่าเรารู้คุณไหมรู้คุณของศีลรู้คุณของกุศลกรรมบวแต่ถ้าในปัจจุบันพบแล้วเราไม่เจริญศีลห้ามีเจตนาศีลเจตสิกสังวรนวิตริกมะไม่เจริญกุศลกรรมบวชสิบเขาแปลว่าไม่มีกระตาเวทีใช่ไหมใช่ เอาถ้าคนไม่มีก็เป็นคนอักตันญูใช่ไม่ใช่อันนี้มาถามนะใช่อักตัญยูไหมเอาถ้าคนอักตันญูเนี่ยชีวิตจะไปดีหรือไม่ดีนะคนที่อักตันยูทั้งหลายวิบัติหมดและเราเรียนมงคลต้องให้เข้าใจอัตถะของมงคลท่านบอกว่าเป็นคนอย่าเป็นคนอักตันยูเนี่ย ก็คือจะ อ, าอากตัญญูต่อ บ, บุญเราที่ให้เรามาเป็นมนุษย์ต้องตอบแทนบุญที่เราตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราตอบแทนบุญของกุศลกรรมบทสิบและสีส่ห้านะก็คือศีลไงก็คือสุนนอสจริตกรรมนี่แหละเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรนวีติกรรมาศีลเนี่ยที่เป็นไปนในส่วนของกุศลนี่แหละ ถ้าท่านผู้ใดไม่ตอบแทนบุญนะไม่ทดแทนบุญของตนเองนะจะอยู่แค่สักว่าหายใจไปวันๆดังนั้นเลยพราะลมหายใจขาดก็วิบัติหมดโอกาสจะเป็นมนุษย์อีกไม่ได้แล้วลงต่ำแน่เพราะเป็นคนไม่มีกระตาวีธีไม่มีกระตันยูแล้วก็ไม่มีกระตาวีธีเพราะไม่เพราะเสียมงคลคนไปข่องอตอนเรียนมงคลเรียนหนีหรือเปล่า เรียนอย่างนี้ไหมนี่เป็นอย่างนี้เพราะเรามาเรามาได้บุญของเราด้วยบุญของกุศลกรรมบทพสีห์ห้าเนี่ยถ้าไม่มีสีห์ห้าตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าจะต้องการบําเพ็ญให้สีห์ห้าเนี่ยนะศีห์เขาจึงบอกมีการรักษากายวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีคําว่ากายวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีก็คือกายนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติถิ่ในกาม ใชไมวาจาตั้งไว้ได้ดีก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อกายวาจาจะตั้งอยู่ได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจใจนั้นต้องมีเจตนาศีลเจตสิกสีนสังวรนวิติกรมาอยู่ในใจด้วยถึงจะไปขัดเกลากายกรรมวิีกรรมให้ตั้งไว้ได้ดีไม่กระจัดกระจายไม่เกลื่อนกลนด้วยการฆ่าด้วยการรักเป็นต้นใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างงี้นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วขัดเกลจะกายกับวาจาไม่ใช่ ทำไมท่านต้องปิดมุมได้สุดจะดิษฐ์สามก็ดูที่ผลปรากฏของศีลคืออะไรกิดของศีลก็คือทดศีลระยะวิสุทธังสนราสาไนงะกำจัดความทุศีลไงเป็นกิจไงหรือความสมบูรณ์โดยการปราศจากโทษเนะี่ยเป็นสมบัติก็ได้ไม่มีโทษโสเจยะปปะทัศานามีเมไรากายกรรมวิจีกรรม จริงๆต้องบอกมีความสะอาดกายสะอาดวาจาแล้วก็ใจก็สะอาดด้วยเป็นผลปรากฏฉะนั้นดูคนมีศีลเนี่ยถ้าต้องการอยากจะดูว่ามีศีลหรือไม่ดีมีก็คือดูสุจริตสามกายสุจริตไหมวาจาสุจริตไหมใจสุจริตไหมถ้ากายวาจาใจไม่สุจริตก็แปลว่าคนทุศีลคนไม่มีศีลศีลมันจะเกิดได้ยังไงศีลจะเกิดแต่ทางกายทางวาจาอย่างเดียวได้ไหมได้ ได้ไม่ได้ศีลฐานของเขาอยู่ที่ใจอะไรคือรากของศีลขันติไงความอดทนไงเป็นรากของศีลใช่ไหมถ้าโทสะเกิดศีลศีลขาดไหมรากของศีลก็ขาดแล้วต้นของศีลอาจจะยังไม่ตายก็ได้ จ, จะเหลืองก็ได้ใช่ไหมใช่แต่รากขาดไปแล้วแต่ในส่วนจริงถ้าร่วงละเมิดออกมาก็ขาดเลย ทางกายกรมรมวจีกรรมก็ขาดสะบั้นเลยอ่ะเอาอย่างนี้ใช่ปฏิบัติไหมนะเมื่อเดินกุลศลสีนได้ในขณะที่นั่งฟังพระธรรมอยู่เนี้ยชื่อว่าปฏิบัติเดินอยู่ไหมนี่ไงปฏิบัติเดินอยู่แล้วเราก็ที่บายบอกเขาถ้าเขามาชวนบอกว่าอยากจะไปปฏิบัติเนี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เอ่ะดีฉัน้นหรือผมกําลังปฏิบัติอยู่ใช่ไหมกำลังจะขัดเกลาตัวเองอยู่ อ้าวทำไมไม่เข้าคอร์สเลยทีละสิบวันยี่สิบวันเราก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็จะไปแต่ช่วงนี้มันต้องการจะเดินให้สมบูรณ์เพราะการเจริญเนี่ยเราต้องการเจริญทุกวันไม่ต้องการทำอะไรเป็นหย่อมหย่อมก็บอกเขาอย่งเขาใช่ยังคือต้องการทำทุกวันต้องการเจริญทุกวันต้องการขัดเกลาทุกวันไม่ใช่วันนี้หยุดปฏิบัติพรุ่งนี้ปฏิบัติไม่เอาไม่ต้องการทำแบบเป็นพั ก, พก เพกิเลสมันยอมพักรดลบกับเราไหมบอกอาเทียนท่านทั้งหลายตอนนี้โยมทํางานไปเถอะเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใจท่านหรอกแต่ยามใดที่ท่านจะไปปฏิบัติเราไปสู้กันทีมันเป็นอย่างนั้ น, น, นจริงโดยข้อเท็จจริงผู้ปฏิบัตินี่นะโดยทุกวันนี้ด้วยนะการสอนปฏิบัติเนี่ยไปปฏิเสธสมาธิเนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยผิดพุทธพจน์เขาอีก ไม่ให้เอาสมาธิอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ให้เอาอนะไรศีลสมาธิปัญญาก็ไปให้ฉีกสิกขาของพระเจ้าทิ้งไปเส้นสิกขาหนึ่งบางที่สมัย่อรมาก็ถามผมเลยเคยถามผมว่าเท้าคุณจะไปฉีกทําไมจะฉีกสิกขาของบ ร, รมศาสตร า, าทําไมใช่ไหมเพราะสมาธิอันต่างด้วยสตินะ อันต่างโดวยวิริยะและสมาธินะี่ฉีกไปสามองเนี่ยองค์มา ก, ก็ขาดหลุดลุ่ยหมดแล้วไปฉีกทําไมก็ไปปฏิเสธสมาธิของพระพุทธเจ้าของหายเสียเลยตรงนี้ยแล้วก็ยังไม่รู้อียว่าตนเองเนี่ยก็ได้กระทาโทษไปแล้วได้กระทาสิ่งที่ไม่ควรไปแล้วก็ไม่ยอมขอขามาอีกนนเนี่ยนะเออแปลกแต่ยังไปพูดขัดสรรพยุติยานของพระบรมศาสดา้อีกเราท่านทั้งหลายก็อย่าไปทำอย่างนั้น อย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัเองสมาบัตนะิน่ะมีไหมพระพุทธเจ้าเคยปฏิเสธไหมแค่หลักสีเลปฏิถายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจ่าพาวยังอาตาปีนิปโคพิขุโสถิมังวิชัตเตเยชะตันเตียเห็นไหมนรชนผู้มีปัญญาพโยขาวจรที่มีปัญญามีปัญญานะคือมีปัญญาแต่การเกิด แกเล่นศีลกันไงศีลที่เป็นไปในภูมิสีไงอบล้มจิตจิตในที่นั้นก็เป็นชื่อของสมาบัติแปดนันไปดูดิไปปฏิเสธสมาธิทําไมปฏิเสธก็หักหลักการของพระเจ้าเสียเลยแล้วตนเองเป็นใครใช่ไหมใช่ทําไมไปหักหลักการของท่านนี่ก็ไปแอบยัดข้อมูลใจคนที่เรียนมันไม่ค่อยดีครับยุ่งเลยพากันไปเลยเอย่างเนี้ย อัดข้อมูลให้คนที่ผิดพลาดก็ปคากันไปแล้วจริงไหมจริงนั้นคำสอนของพระบรมศาสดาอย่าไปฉีกอย่าไปฉีกตรงนั้นเราจะเสียหายเองผู้ฉีกเนียเสียหายผู้ตามก็เสียหายอีกแต่เนี้ยก็อย่างกรณีอย่างสีเนี่ยนะมีการรักษากายวาจาใจาให้ตั้งไว้โดยดียไม่กระจัดกระจายไปลักษณะก็คือว่ากายกรรมวิจิกรรมไม่กระจัดกระจายไม่เกลื่อนกล่นมาจากคําว่าสีแล้วนะ สรร่ี่ด้านนั้นคำความหมายหนึ่งก็คือเป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายอันมีสมาธิเป็นต้นก็คือว่าศ ร, รัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไหมหรือคุณธรรมต่างๆเหล่านี้สติปัฏฐานส ม, มปะปัฏฐานเป็นต้นเหล่าเนี้ยต้องมีศีลเนนะี่ยเป็นประทัด ฐ, ฐานทั้งนั้นนเลยต้องมีศีลทั้งนั้นแต่เป็นพื้นฐานของกุศลธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีการกําจัดความทุศีล เป็นรถเป็นสัมปติรถนี่นะระการต่อมาก็คือว่ามีความสะอาดกายวาจาใจเป็นอาการปรากฏอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลเฮริโอต ป, ปะที่จริงพอพูดถึงในชั้นของทานบา ร, รมีเนี่ยนะย้อนกลับไปหน่อยพระโพธิสัตว์นี่บำเพ็ญทานบา ร, รมีเนี่ยนะพิจารณาตลอดทิศเบื้องต่ำเบื้องสูงจนถึงธรรมธาตุาาในการนั้นเห็นทานบา ร, รมีเป็นพุทธการกธรรมเป็นข้อที่หนึ่งเป็นน้นทางใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าในอดีตในการก่อนทรงเลือกแล้วก็สอนตนเองว่าเธอจงบำเพ็ญทานบารมีอันเป็พุทธกาลธรรมนี้สมาทานทําให้มั่นคงถ้าปรารถนาบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเป็นต้นท่านก็กล่าวไว้พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญทานบารมีนับจ ะ, ะนับประมาณไม่ได้ในชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมตรงนี้อมาก็ไล่ ย, ยาวไปก่อนในชาติสุดท้ายเป็นถ้าสุดท้ายเป็นเวสสันดนรโพธิสัตว์ทําให้แผ่นดินไหวเจ็ดครั้งด้วยอำนาจนบารมี ครั้งนั้นได้ทรงสอนนางมัสีว่าดูก่อนพระน้องมัสีพึงให้ทานในท่านผู้มีศีลตามสมควรนะเพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยิ่งไปกว่าทานนั้นไม่มีเลยทานนี่เป็นที่พึ่งใช่ไหมทานนี่เป็นพุทธการละกตธรรมของพระพุทธ ม, มัสสดาอย่าไปปฏิเสธนะทานเนี่ยเป็นบันไดเกิดการบรรลุนะโพธิญาณของพระุธเจ้าเป็นบันไดเกิดการบรรลุปเจกับโพธิญาณและสาวกับโพธิญาณเป็ต้นด้วย แม้เจตนาทานใช่ไหมเจตสิกฐานเบตเตอร์เหล่านี้ยอโลพาทานเบตเตอร์นี่ปฏิเสธได้ยังไงอ่ะเป็นคุณธรรมใช่ไหมบางคนนี้แล้วเรามีวัตถุทานภายนอกน้อยกว่าวัตถุทานภายในเนี่ยเจตนาทานเอยอโลภาทานเนี่ยสละได้ก็สอนนะนะขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะบอกว่าพึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายยิ่งไปกว่าทานไม่มีก็ทานบา ร, รมีนั้นจัดเป็นมหาปริจาค้าห้านะ ธนะปริจาคะก็คือบริจาคทรัพย์อังคาปริจาคะก็คือนั่นแหละอวัยวะชีวิตต่อบริจาค่ะก็บริจาคชีวิตปุตตะบริจาค่ะก็ให้บุตรทาระจริจาคะปริจาคะนี่ทาระนี่แปลว่าอะไรทาระนี่แปลว่าอะไรโยทาระแปลว่าภรรยาเนี่ยก็แปลดองตัวก็แปลว่าเมียเนี่ยทาระนี่ ภรรยาเน่แหละเพราะเป็นทานใหญ่ทั้งพระเวสสันดร น, นะอัฏถากล่าวว่าการให้ปียบุตรเป็นทานก็ดีการให้เป็นภรรยาเป็นทานก็ดีไม่ใช่อุปปาลมีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแผ่นดินไหวแผ่นดินนะ่ยหนาสองแสนสี่หมื่นยดบรรลือลั่นเสียงส น, นั่นถึงไตรทิพย์ทั้งสายฟ้าก็แกลบแปรปราบโดยรอบเสียงสะานปรากฏปานประหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายไปเชนั้น ให้ทานแผ่นดินไหวทีนี้เมื่อขางใกล้จะตัดสู้นะพญามารก็ประจนก็สามารถให้พญามารเน่ยพ่ายแพ้ไปโดยสิ้นเชิงทานและธาตุคือคําว่าทานในที่เนี้ยนะไม่ใช่คําว่าทาทาตในการให้ก็คือว่าแล้วกันประการต่อมาก็คือศีลลักขณาที่จะจากการาญกับศีละ น้ลกักษณะมีการงดเว้นเป็นลักษณะมีการงดเว้นหรือคู่สักคร่เนี่ยกายกรรมวจีกรรมไม่เกินกนไม่กระจัดกระจายแล้วก็เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงใช่ไหมเป็นฐานเป็นพื้นของกุศลธรรมเบื้องสูงมีสมาธิเป็นต้ น, นนี้เราก็ได้มุมใช่ไหมได้มุมแห่งการที่เห็นบารมีของพระโพธิสัตว์หรือของพระเจ้าทศสีร้ายะวิสุทธังสนรักษะก็มีการกําจัดความทุศีล คำว่าทุศีนี่แปลว่าอะไรอ่ะทุนี่ดีหรือไม่ดีที่จริงอกุศลศีนเขาเรียกว่าทุศีนเพราะศีนะทว่าโดยสามนี่นะมีกุศลศีนอกุศลศีนอัพยากตศีนใช่ไหมอกุศลศีนนั่นแหละเรียกว่าทุศีนในขณะที่โรพาโทสาวโมหะเกิดขึ้นเรียกว่าทุศีนฉะนั้นเมื่อเจตนาศีนเจตสิกศีนสังวรศีนเกิดขึ้นมาปุ๊บจะกําจัดอตัวนี้ กำจัดตัวทุศีนเนี่ยให้ออกไปจากใจก่อนเพราะศีนเนี่ยนะศีนมีก็อยู่ที่ใจศีนไม่มีก็อยู่ที่ใจนี่แหละถ้าในใจไม่มีศีนก็เรียกทุศีนไม่มีศีนหรือจะบอกว่าไอ้ทีก็ได้ทุบไปว่าชั่วก็ยังได้แล้ยมีศีนชั่วเกิดขึ้นมาแล้วอย่างงี้ก็ได้นะก็คือศีนไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วในใจฉะนั้นพอกุศลศีนพอกุศลจิตเกิดไอภาวะของความทุศีนก็จางหายไปเป็นอย่างนี้ย แต่คนที่จะศึกษาจะรักษาศีลได้แปลว่าเขาศึกษาเรื่องศีลดีโดยเฉพาะศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มาศึกษาทีนี้มีความกำจัดความทุศีลเป็นกิจอนาวัชชะคุณรารสาวาือโสเจยยะปัจป จ, จุปถานาวาก็นะก็แปลว่ามีหรือเนี่ยนะมีคุณไม่มีโทษเป็นสัมปติรสมีความสะอาดเนี่ย สะอาดในที่นั้นกายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดใจต้องสะอาดสรุปสะอาดกับสุจริตอันเดียวกันไหมสะอาดก็สุจริตนั่นแหละกายสุจริตวจีสุจริตแล้วมโนสุจริตสุจริตสามจึงเป็นมนุษย์ศธรรมใช่ไหยธรรมของมนุษย์ฉะนั้นที่เรามาเป็นมนุษย์ได้เพราะมีศี่ห้ามีสุจริตสามไง แต่ถ้าหากปัจจุบันนะพบนี้เรารักษาศีลห้าเป็นต้นไม่ได้สุดเจริญสามรักษาไว้ไม่ได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไดไไดก็ไม่ได้ก็หิรีอตตาปาปทัฐานามีฮิริอตตาปาเป็นเหตุใกล้ศีลเพราะอัรรมรองรับรองรับในความหมายนั้นนั่นแปลว่างดเวน้นคือทรงไว้ซึ่งคุณธรรมทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลเหมือนแผ่นดินไหม แผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งของได้ใช่ไหมกุศลศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งของคุณธรรมทุกระดับอุปจารสมาธิเนี่ยมีศีลอยู่ไหมในนั้นถ้าไม่มีศีลอุปจารสมาธิตั้งขึ้นได้ไหมปฐมฌานต้องมีศีนไหมถ้าไม่มีศีนปฐมฌานจะตั้งอยู่ไม่ได้ทุติยฌานฌานที่สองก็ต้องมีศีนในนั้นตัิยฌานก็ต้องมีศีนรองรับอยู่เจตุทะฌานก็มีศีลรองรับ อรูปฌานทั้งสี่อากาสานันจา ย, ยตนะวิญญานันจา ย, ยตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะต้องมีศีลเอา้ายอมไปเรียนวิปัสสนามาใช่ไหมเมื่อกี้นามารูปปริเฉทญาณเนี่ยต้องมีศีลเป็นฐานรองรับอยู่ไหมมีไม่มีมีอยู่ในไหนศีลเกิดก่อนหรือวิปัสสนาเกิดก่อนหรือเกิดพร้อมกัน ต้องอยู่ในจิตเดียวดวงเดียวกันถึงจะเรียกว่าเป็นพื้นฐานรองรับฉะนั้นอันนี้านุปัสสนาก็ต้องมีศีลรองรับทุกขานุปัสสนาก็ต้องมีศีลรองรับอยนั้นอนาตตานุปัสสนาก็ต้องมีศีลรองรับอยู่นั้นนิพพานุปัสสนาก็ต้องมีศีลรองรับในนั้นวิราคานุปัสสนาวิปัสสนาทุกระดับปฏินิสคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนา ทั้งหมดจะต้องมีกุศลศีลเป็นฐานอยู่หมดเลย mm hmm. เขาจึงบอกเหมือนแผ่นดินเขาใหญ่ออยัง mm hmm. ไม่ใช่าศีลนู่นไปอยู่ตรงนู่นเนี่ยพอเดินสมาธิเดินวิปัสสนามาแล้วทิ้งศีลไว้ที่บ้านน่นไม่ใช่ศีล ส, สมาธิปัญญาจะต้องเดินไปด้วยกันอย่างนี้ต้องพัฒนาไปด้วยกันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เขาใหญ่ยังทีนี้เอาพูดถึงเวรตีนิด เวทีเนี่ยจะมีสัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมมาชีวะยังไงพูดถึงตัวสมาธานวิรัตและสัมปตาวิรัตินี่เดี๋ยวไล่ยาวไปเดีย๋ยวจะไปยาวใหญ่เลยเนีย๋ยแต่จริงั้ออยู่อยู่ในศีลนะเนี่ยอยู่ในศีลและบา ร, รมีจริงๆต้องต้องดึงลงด้วยทั้งมันเนี่ยเราอยู่ในเวลาที่เราขยายมากก็ไม่ค่อยได้อย่มมันมีข้อจากัดค่อนข้างเยอะทีนี้ พูดถึงในเรื่องของคำว่าสัมมาวาจาระคถาสัมมาวาจานี้ท่านพูดถึงในเรื่องของกุศล